ใส่พอประมาณก็พอแล้วมันน้อยเราก็ใส่พอประมาณก็พอถึงที่ไหนก็ถึงที่นั่นแหละไม่ใช่ว่าน้ําคนละหยดให้ทั่วถึงกันทั้งหมดไม่เอานะเถียงตรงเกินไปเนี่นเมื่อเพราอเห็นุนั้นจึงให้ใส่สลับกันใส่ทั้งหัวลงไปแล้วก็ใส่ทั้งหางขึ้นมาแล้วก็ใส่ตรงกลางลงไปเนี่ยความหมายคือคือให้ใส่อาหารสลับกันถ้าว่าใส่แต่ทางหัวลงไปมันก็นหนักแต่ทางหัว ทังหางกัด้วยแหลมไปเรื่อยๆมีแต่น้ําจุดให้หม้อเพราะนั้นจึงให้ใส่ทั้งหางขึ้นมาสลับกันแล้วก็ใส่ตรงกลางลงไปผู้ที่ตักบาตรใส่บาตต้องฉลาดไม่ใช่ว่าจะใส่ขึ้นมาน้ำตะระหยดตะระหยดจนถึงหัวแถวพอมันหมดเราก็จึงหยดน้ำํำตะระหยดจนถึงปลายแถวไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นเป็ว่าเถนตรงขาดความฉลาดขาดความรอบคอบ มันลักษณะงโง่ถึงจะน้อยขนาดไหนก็ให้ทั่วถึงเลยอันนั้นงโง่เพราะนั้นจึงให้ใส่แบบที่มันน้อยเราก็ใส่ตักขางขึ้นมาถึงไหนแล้วก็หยุดเราใส่หัวลงไปถึงไหนแล้วก็หยุดมันหมดแล้วก็ดูตรงกลางอีกอาหารในบาทไเป็นยังไงเวลาจะใส่บาทต้องมองดูบาททซะก่อนอาหารมันมากแล้วบาทนี่ คิดดูท้องของเราอนะน่ะท้องของเราใหญ่ขนาดไหนขนาดนี้เราอิ่มไหมไอ้อันนี้เป็นพระหนุ่มหรือเป็นพระเท่าเป็นเนนน้อยหรือเป็นคูบาก็ต้องสังเกตอีกถ้าเป็นเนนน้อยจะใส่เข้าไปมากๆมันก็อาหารเหลือเฟือทิ้งเฉยๆเพราะเนนน้อยเราก็ต้องใส่ระดับหนึ่งอาหารเนนน้อยคืออาหารอย่างไรที่เขาจะฉันได้เมื่อสมัยเราเป็นเด็กนะ เราชอบอาหารประเภทไหนเมื่อเราเป็นเด็กเราก็ต้องเ อ, เอาอาหารอย่างนั้นให้เด็กเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราชอบอาหารประเภทไหนเราชอบยังไงก็ให้หมูอย่างนั้นก็ต้องเอาใส่ให้เข้าไปอาหารถ้ามันมากเกินไปมันฉันไม่ได้นะอาหารเราก็ใส่พอประมาณถ้ามันน้อยเราก็ต้องดูว่าเออาบาทนี่น้อยแล้วก็ต้องตักเพิ่มเข้าไปอีกในบานั้น เวลาเราจะใส่บาตเราต้องรูซะก่อนไม่ใช่ว่าอันนี้คือบาตรแล้วก็เทราดตรงไปเทราดลงไ ป, งไปอันนั้นใส่แบบโง่ถ้าใส่บาตแบบฉลาดก็ต้องมองซะก่อนบาตเป็นบาตของเราเราจะฉันยังไงถ้าเป็นของเผ็ดเราก็ใส่ข้างๆ้างหรือว่าอาหารประเภทไหนควรจะใส่ข้างไหนต้องมูมองดูบาตรซะก่อนแล้วค่อยตักใส่บาตจะต้องตักลงในมุมนั้นตรงนั้นเอาไว้ข้างนั้น ให้ถือไว้อยู่เสมอว่าบาตของท่านก็คือบาตของเราเราต้องการอย่างไรหมูเพื่อนก็คงต้องการอย่างนั้นอันนี้คือความเป็นธรรมในใจเพราะฉะนั้นเวลาจะตักบาตก็ให้ดูให้ดูบาตมากบาตน้อยเพราะนั้นจึงผมจึงได้ให้เวลาแจกอาหารอย่าให้แจกลงทางเดียวให้แจกสลับกัน หรือพูดที่แจกก็ให้สังเกตบาทไหนของหวานมันมากน้อยก็ต้องดูแล้วก็ดูอีกว่าบาทองค์นี้คือบาทองค์ไหนเป็นพระที่กําลังฉันใช่ไหมตัวใหญ่ใช่ไหมท่านฉันมากใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องเพิ่มให้ให้สังเกตถึงขนาดนั้นเกี่ยว่าปัญญาไม่ใช่ว่าซื้อบริษักไปเรื่อย ถ้าเป็นอย่างนั้นโอ้โหมันจะว่า ย, ยัางไงถ้าหมูพวกเพื่อนได้อย่างนั้นเออมันมากขี้ควายหลายขี้ช้างไม่มีคุณภาพใน จ, ใจิตใจไม่มีคุณภาพในคนไม่มีคุณภาพในพระสิ่งไหนที่ไม่มีคุณภาพมันไร้ประโยชน์ทั้งนั้นน่ะมันมากก็มากเออไม่เกิดประโยชน์ ถ้ามีคุณภาพหน่นอยเดียวเพชรเม็ดเดียวมีคุณภาพมากกว่า อ, อะไรขี้เลนขี้โคลนเต็มไปหมดเพราะนั้นพวกเราที่ได้ฟังนี่ไให้เข้าใจเอาไว้ว่าฟิตตนให้เป็นผู้มีคุณภาพนะที่สอนนี่คือสอนความรอบคอบทั้งนั้นน่ะ เมื่อเราเป็นอยู่ไปอยู่ในสถานหน้ไหนเราก็ให้รอบคอบในสถาน น, านั้นเมื่อเราเป็นหมอเราก็รอบครอบในสถานะ ห, หมอหการผ่าตัดเราทํำยังไงอไม่ใช่ว่ากินเหล้าเมายาจนลืมตาไม่ขึ้นแล้กวก็คว้ามีดไปผ่าเขาไปอันันเขามันก็ไม่ได้เพราะชีวิตของเขาชีวิตของเราถ้าเราเป็นอย่างนั้น่ะเออถ้าหมอเป็นอย่างนั้นจะให้ผ่าเราได้ไหม เรายินดีให้พาไหมเราก็ต้องคิดถึงเขาอีกเป็นตำรวจก็เหมือนกันพี่น้องของเราเป็นยังไงถ้าเขามาทําให้แกเราอย่างนี้เราจะเสียใจไหมครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันพระสองฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันมันมีทุกวงการจริยธรรมนะนำมาใช้ที่สอนเมื่อกี้นี่คือสอนจริยธรรมเกี่ยวกับการตักบาตรการใส่บาตรการดูแลบาตร อันนี้ก็คือมุมหนึ่งในการเป็นอยู่แล้วก็วันพุ่งนี้เป็นวันที่22พระใหม่คงจะให้เดินทางนะเดินทางไปงานของคุณแม่ชีแก้ววันที่25เพราพอวันที่22ไปวันที่23หลวงพ่อก็จะมอบอาคารเรียนที่อำเภอหัวนนตาลที่หลวงพ่อสร้างให้แก่เขา ที่เป็นเงินกองทุนของเราบ้างของคุณแม่บ้างผสมผสานกันของญาติโยมบ้างสร้างไปหมดประมาณ3ล้าน3ล้าน6กกว่าๆนะทั้งเก้าอี้พร้อมหมดทุกอย่างเร้ยกว่าจะไปมอบในงานของก่อน ง, งานของคุณแม่วันหนึ่งงานของคุณแม่ก็คือวันที่24่สิบสยี่สายี่ส่วดปนเย็น25ฉันเนช้าบิณฑบาตฉันเช้าของเดือนมีนาห้าศนะ แต่เนี่ยเราจะไปมอบวันที่23ให้แก่อาคารเรียนเขาให้แก่โรงเรียนเขาแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อกัไม่ชอบพิธีพิถันอะไรหรอกคือเราสร้างจบแล้วก็ให้หมอบให้เขาใช้ไปเลยแต่เขาบอกว่านานทีพวกเราจะมีบุญวาสนาครูบาอาจารย์จะเมตตา ม, มาสร้างอาคารให้ใหญ่ถึงขนาดนี้หาได้ยากเพราะนั้นจะมอบเป็นกิตจะลักษณะ เพื่อจะให้พี่น้องประชาชนคนในถิ่นนั้นรับรู้รับทราบว่าครูบาอาจารย์พระสงฆ์ไม่ได้นิ่งดูดายพระสงฆ์บางองค์บางกลุ่มบางหมู่บางคณะที่ท่านก็ยังช่วยเหลือชุมชนสังคมอยู่แตอยากจะให้เป็นการเผยแพร่ อ, อีกส่วนหนึ่งลักษณะอย่างนั้นน่ะที่ครูบาอาจารย์หัวดอนตาลที่มาเกี่ยวข้องกับหลวงพอ่อหลวงพอ่งพอก็เ อ, อื่ออก็สุดแท้แต่ แต่สำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอสร้างเสร็จแล้วก็มอบไปไปเลยแต่ในเมื่อเขามีจุดประสงค์อย่างนั้นหลวงพ่อคือเอาทำเป็นจิตจากลักษณะก็ทำก็คงจะเชิญท่านผู้วาราชการจังหวัดมุกดาหารไปเปิดวันที่ยี่สิบสามที่จะถึงเนี่ยเพราะนั้นพระใหม่ที่จะไปเขาไปวันที่ยี่บสองก็คงจะไป นี่แหละงานของคุณแม่ด้วยงานโรงเรียนด้วยเพราะนั้นผ้าใหม่พยายามครองผ้าให้แน่นอย่างที่หลวงพ่อได้บอกบวชมาตั้งแต่วันที่10วันที่22 23, ่สิบสอ่สาก็คงจะแน่นกำมัง่งนะเพราะนั้นต้องดูกันนะพระใหม่ทั้งหมดคงจะเอาไปทั้งหมดนะแต่ว่ารถก็คงจะเอารถไปกับบอชให้ท่านไปบูรณ ะ, ะแล้วก็เมื่อไปถึงพระใหม่อย่าให้ได้บอกกัน พอเราจะเข้าไปสู่สนามรบระนาบัดเนี่ยไม่ใช่ว่าไปถึงที่โน่นเนี่ยไปบอกกันไม่ได้นะคล้องผ้าอย่างงั้นเดินอย่างงั้นบินธบัดอย่างนั้นชั้นอย่างนี้นั่งอย่างงั้นไปในไปสนามสนามรบเนี่ยไปหาบอก <c oughs> จับปืนขึ้นมาอย่างนี้เล็งอย่างนี้ลัดไกลอย่างนี้เออไปอย่างงั้นค่าศึกค่าทั้งค่าทั้งพี่เลี้ยงค่าทั้งลูกน้องอ่ะไม่ไม่ทันการเพราะนั้นต้องเตรียมพร้อม อย่างที่พวกเรานะทำอยู่นี่แหละให้คล่องแคล่วขึ้นตาดูหูฟังใจคิดไม่ใช่ว่าเราไปที่ไหนจะเหมือนนาคำน้อยไม่ใช่เราต้องปรับตัวเข้ากับสถานที่นั้นๆในเมื่อเราไปวัดหลวงปู่จามเราต้องรีบช้าไม่ได้พอไปเห็นหลวงปู่นั่งชันแล้วพวกเราจะงงงงงงงาก็ไม่ได้นะต้องเร็ว พอเดินปุ๊บมาถึงวางบาทปุ๊บคลองผ้าปุ๊บเข้าไปจําที่เะเอยแต่ไม่ต้องแจ ก, กอาหารอย่างที่วัดเราออวัดเราเนี่ยแจ ก, กอาหารตักแกกอาหารแต่วัดหลวงปู่เนีท่านจะไหลมาเรื่อยๆเออเท่า ต, ต้องการอะไรเราหยิบหยิบไม่ต้องเลือกนั้นเลือกนี่เอานั่งดูจนค่อยเลือกหยิบแต่ละอันเปรแปลว่าไม่คล่องแคล่วช้าเขาอยู่ข้างหลังเน่ยเขาคอยเรา เราต้องการต้องอาการอาหารประเภทหนหยิบปั๊บส่งไปหยิบปั๊บส่งไปส่งไปส่งไปดูเขาดูเขาว่าเขาเร็วขนาดไหนเนี่ที่เขาเป็นภาคเก่าอยู่ที่นั่นเขาเร็วยังไงเราต้องมองดูเขาไม่ใช่ว่าเอาตัวเข้าไปขวางเขาในเมื่อใส่บาทพอประมาณไม่ใช่เอาทุกอันเอาพอฉันอิ่มสําหรับตัวเองเราต้องการฉันอะไรที่ไม่ผิดธาตุขันของเราไม่แสลงธาตุขันของเราเราเอาอย่างนั้น พอใส่บาดเสร็จแล้วก็ส่งออกไปเราก็ยิบบั้งใส่บาดของเราหยิบนู้นหยิบนี่บั้งถ้าหางว่าปิดเฉยไม่เอาเฉยอย่างนั้นก็ไม่ได้นะ อ, อันนี้มันต้องมีเทคนิคถ้าจะสอนเทคนิคทุกอย่างามันก็โง่เกินไปว่างั้นแต่เทคนิคตัวนี้มันต้องเอามาสอนเอามาสอนนั่งตัวต่อตัวต ว, ว่างั้นเถอะจึงจะสอนเทคนิคตัวนี้ได้นะถ้าว่าไม่สอนเขาไปเนี่ย ไม่ได้มันเซอร์แต่หลวงพ่อครบบางทีก็ยอมขายตัวเองเหมือนกันเลยยอมขายว่ามันโง่ยอมขายโง่ตัวเองว่างั้นเพื่อให้ลูกน้องฉลาดว่างั้นเถอะยอมขายโง่ตัวเองให้ลูกน้องฉลาดว่างั้นเถอะสมมติว่าที่ว่าเนี่ยเขาส่งมาส่งมาเราส่งไปส่งไปส่งไปเนี่ยเราไม่รับเลยอาหารแล้วต่อไปเขาก็ญาติโยมเขาอ้อาหารที่เราส่งไปท่านไม่รับหรอกเราไม่ต้องเอาไปหรอกเพราะท่านชอบอาหารอื่น ลที่สุดพลาดในวัดก็เลยอดทั้งวัดเลยท่นนี่อันนี้แหละอันนี้คือขายงโง่แล้วนะทีนี้นะแต่ตามไม่จริงเราต้องหยิบบ้างต้องใส่เข้าไปในบาทหยิบบ้างหยิบบ้างสลับไปบ้างแต่ไม่ต้องทุกอันถ้ามีองค์ไหนเอาแล้วเราก็ไม่ต้องเอาก็ได้สลับไปถ้าไม่มีใครเอาเลยเราต้องเอากเพื่อสรองศรัทธาของเขาที่เขาเอามาทั้งอันแล้วไม่มีใครหยิบเลย เขาจะมีความรู้สึกยังไงถ้าเป็นของเราเราจะมีความรู้สึกยังไงนี่แหละอันนี้ก็คือความคิดเทคนิคอย่างนี้หาฟังได้ยากนะนโดยมากครูบาอาจารย์จะไม่สอนแต่นี่หลวงพ่อจะสอนให้ลูกศิษย์เพราะกลัวลูกศิษย์ต่อไปภายภาคหน้าจะอดอยากเนี่ยอันนี้เราก็ต้องหยิบหยิบหิ บ, บ, บไงใส่พอประมาณเออจากนั้นวัดหลวงปู่จามนะที่ว่านี่ จะสอนให้ฟังนี่คือวัดหลวงปู่หลวงปู่นะท่า น, นก็นส่งมาอย่างที่ว่าเนะี่ยท่านยังไม่ได้แจกอาหารไม่ลูกแจกแต่ต้องเร็วพอมาถึงคลองผ้านั่งประจําที่เตรียมพร้อมมีฟ้าบาดมืออาหารก็ใส่พร้อมของหวานก็นใส่ฟ้าบาดอย่างที่พวกเราใส่นะอาหารกัตักคร่บาดแล้วก็ส่งค่อยส่งผักไประหว่างมันหกนะเพราะวัดของท่านท่านกับปู่พรมท่านเราทําไม่ดีนะผักไปผักมา ข่ยน้ำแกงอย่าไปหกพรมของท่านเป็นเรื่องใหญ่ล่ะตอนนั้นเราต้องระมัดระวังอย่านั่งใกล้ชิดกันเกินไปห่างกันพอประมาณนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็จะให้พรแต่การให้พรหลวงปู่จามวัดของหลวงปู่จามนั้นท่านไม่ประนมมือให้สังเกตอีกนะไม่ใช่ว่าไปที่ไหนเราซื้อบืชอทุกอย่างไม่ได้นะคือประเพณีแล้วว่าเป็นระบบระเบียบของวัดท่านนะ ท่านไม่ปนมือขณะให้พรท่านก็นั่งเรียบธรรมดาเนี่นก็ให้พอรอันนี้ท่านถือมาตั้งแต่ท่านเจ้าคุณอุบอุบาลีโพดิลุงปู่จามเคย อ, อยู่ทางเชียงใหม่มามากมานานแต่ท่านมาอยู่ท่านก็ให้พรท่านก็ไม่ได้ปนมมือในเมื่อเราไปอยู่วัดท่านปนมือแล้วไม่ปนมือก็ไม่ผิดนะก็ไม่เห็นปนมมือก็จะไม่เห็นผิดอะไรแต่ว่าการปนมือดีไหมก็ดีเมื่อการให้พร การกล่าวธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายะถาวารีวหาเนี่ยเป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นปับบาลีเราก็เข้ารบในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธา ญ, ญาติโยมที่ฟังรับพร เ, เขาก็ประนมมือรับรับพรที่เราพูดออกไปคือนี่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะให้พวกเราประสบความสงบความร่มเย็นเป็นสุขประทนาสิ่งในที่อยู่ใน ศีลและธรรมให้สาเร็จสมความมุ่ง ม, มา่ปราถนาลักษณะอย่างนั้นนะ่ะคือการให้พรให้เราแปลฟังกันแล้วกันนะ ม, มีคำแปลอยู่คำให้พรนั่นะคืออะไรเนี่ยอืมเปรียบเทียบไรหลฟังแหม่น้ำอะไระไหลมาอยู่ในการให้พรคำให้พรนั้ น, นอันนี้ก็คือให้ศีลให้พรแก่ศรัทธาญาติโยมพระผู้ให้กอปนมมือคนผู้รับกอปนมมือรับพรนะ อันนี้ก็ไม่เห็นผิดอันนี้เพิ่งขึ้นมาใหม่แต่สมัยหลวงพ่อเป็นเนนเออหลวงพ่อเป็นเนนหลวงพ่อยังไม่ได้ให้ไม่ปนมมือนะเริ่มนะเริ่มตั้งแต่ปี 2,500 ัาอกว่ากว่ามานี่เองที่ให้พรนะขอปนมมือเนะี่ยแต่ก่อนไม่มีนะโผล่ น, นั้นที่ไปวัดหลวงปู่ท่านไม่ปนมมือก็ไม่เป็นไรนะท่านก็ให้ด้วยน้ําจิตน้ําใจของท่านคือท่านให้พรแก่ญาติโยมญาติยโยมขอปนมือรับ อันนี Finanz, ้ใคให้เราสังเกตนะเวลาไปรับนิมนต์ก็เหมือนกันไปฉันที่หัวโดนตาลเวลาบินธบารต้องท่ายํารวมเตรียมพร้อมบาร์ดของเรามัดยังไงยังไงยังไงให้เตรียมพร้อมให้เร็วนะเวลาล้างบารก็เหมือนกันเวลาล้างบารล้างยังไงเช็ดบารทํายังไงนนี้เราก็ให้ให้พร้อมไม่ใช่ว่าไม่ใช่วัดของเรานะเราไปอย่างนั้นไม่ใช่วัดของเรา เวลาเราทําอะไรอย่าไปคุยกันเรีบทํำตั้งหน้าตั้งตาทํารีบทำํำยังไงยังจะเสร็จเผื่อกูบาอาจารย์จะเอาไปเนี่ยจะได้รีบขึ้นรถขึ้นลาไม่ใช่ว่าคุยคุยไปเรื่อยทําอะไรไปเลยเอาไปเลยพอถึงก็ลืมหน้าลืมหลังลืมรองเท้าบางังลืมยาสีฟันลืมย่ามบางังจะขึ้นรถทีนี่ผลในสุดนั่นแ ห, หละเราบอกขาดความรอบคอบขาดความรอบคอบไม่คล่องแคล่ว นี่แหละอันนี้คือการเป็นพระนะต้องมองหัวหน้าไว้อยู่เสมอหัวหน้าอยู่ยังไงหัวหน้าพาไปที่ไหนหัวหน้าจะทํำยังไงต้องมองถ้าหัวหน้าบอกว่าเอาเร็วนะเร็วต้องมีความหมายแล้วจะต้องมีไปอีกงานหน้าหรือว่าจุดหน้ามีอะไรที่จะต้องทำํำไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทําให้หัวหน้าอึดเดือด ก, ก็ทิ้งไปอ๋อเอ า, เ อ, า, เ อ, า, เ อ, าองคนั้นไปก่อนนะมันช้า ให้ยังต้อค่อยเอารถมารับทีหลังพวกเราไปก่อนน่ยตายเลยตอนขายขีดหน้าเราอีก เ, ยเอยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อพูดทางนี้ท่านนั้นเอาไปใช้ขนาดเป็นคราวาญญาติโยมไปที่ไหนถ้าเป็นอย่างนั้นได้จะไม่หนักใจผู้ที่เป็นหัวหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์หรืเป็นเจ้านายของเราถ้าว่าเขาไปห้องน้ํากันซ้ํำสี่สิบนาทีเป็นสองสามชั่วโมงก็ไม่ออกอยู่ในห้องน้ำนะ่ะ จะได้เหรอมันต้องฝึกหัดให้เร็วเพราะเราจะอยู่กับชุมชนและสังคมไม่ใช่ว่าอยู่คนเดียวในโลกะฉะนั้นเวลาเข้าห้องน้ำก็ต้องเร็วป้องฝึกหัดให้เร็วแปลงฟันให้เร็วเป็นพระก็อย่างนั้นแ่ะอย่าไปอืดอาดเหนื่อยนายไม่ได้นะแปลว่าไม่ใช่เรื่องของพระถ้าพระแล้วแปลว่าคล่องแคล่วว่องไวตา เห็นสังเกตหูได้ยินฟังใจสำนึกสำเนียดใช้พิจารณาไตรตรองเหตุและผลที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังนั้นนี่แหละไว้ในะพวกเราทุกท่านนะที่จะเดินทางอันนี้หลวงพ่อสอนเอาไว้สอนมวยว่างกันสอนมวยความรอบครอบสอนมวยความฉลาดาไปอยู่ในสถานที่ใดถ้าเป็นอย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยนั่นนะจะเป็นผู้รอบครอบนะจะไม่ตกต่ำ ก, ก้าวหน้าไปได้ถ้าไปที่ไหนคว้างเขาเดี๋ซื้อบือ้อซื้อบือ้อเนี่ะหนักอกหนักใจพ่อแม่ไปอยู่กับใครเขาก็หนักไปอยู่กับในาย จ, จ้างก็หนักไปอยู่กับหัวหน้าไหนเขาก็หนักเพราะนั้นอย่าให้เขาหนักใจกับเรานะเราคนคนหนึ่งเป็นผู้มีปัญญาอยู่แล้วนะนี่แหละเมื่อวานก็ไปงานของหลวงปู่จันสมหลวงตาองค์หลวงตาเป็นองค์แสดงธรรมองค์หนึ่ง พี่น้องประชาชนก็มามากนะเมื่อวานกับฟ้าชายเสด็จนะสารเสด็จกับพระชายาของท่านพระสุนิกรพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าทหารตำรวจเพียบไปหมดเลยเมื่อวานนะมากคนคนมากอยู่สถานที่กว้างพอสมควรวัดหลวงปู่ทุกอย่างก็เรียบร้อยอเรียบร้อยเหมือนกันแต่งานเรียบร้อยทุกอย่างนะอ้าวตอนนี้ไปแล้วพอเนะตอนนี้นะผมพอพูดอะไรให้ฟังนะ เป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราอยู่ในชุมชนสังคมอยู่ในหมู่พวกเพื่อนนะไม่ว่าไปนักสถานที่ใดถิ่นใดนะต้องได้สังเกตต้องได้ใช้ปัญญาทุกแห่งทุกหนน่นะ